ร่ำเรียนหนทางแห่งความบริสุทธิ์อนะไม่มันบริสุทธิ์ยากนะผ้านี่ถ้าลองมันได้สกปร ก, กแล้วมันซักยากนะต้องใช้ไอ้พวกสารทั้งหลายตัวนะกว่าจะซักออกได้จิตของเราเนี่ยนะที่มันถูกอวิชามันย้อมมานานแล้ถูกอาสวะนะเรียกว่าเครื่องหมักดองมันหมักมานานถาม ว, ว่ามันหมักนานแค่ไหน ไม่รู้นานหรือไม่นานไม่รู้เห็นแล้วชอบเลยเห็นแล้วชังเลยะนะมันชํานาญขนาดนั้นเนยคล่องมากเห็นแล้วโอ้ดีเห็นแล้วอืมไม่ดีเห็นแล้วไม่เคยมองเห็นอริยสัจเลยอมันถูกปกปิดไว้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาสวะเนี่ยมันไลขนาดนั้นขนาดกุศลจิตเกิดขึ้นนะอาสวะยังอาศัยอีกนะยังมีอัดมีกุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์อีกมางั้นเถอะกุศลจิตก็ยังฉาบไลไปด้วย อาสาวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอนี่เป็นความเศร้าหมองอย่างยิ่งของสังสารวัตเมื่อสังสารวัตนี้เศร้าหมองอย่างนี้แล้วก็เศร้าหมองมานานแล้วด้วยเห็นไหมเมื่อเศร้าหมองนานขนาดนั้นเนี่นยนะจะซักจะฟอกให้มันง่ายๆนี่คงยา ก, ก น, นะท่านบอกว่าโลภะเหมือนกับมันติดหนับเหมือนกับอะไรนะขนมีหรือหนังมีถูกย้อมนั่นเนะ มันดำอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำให้ฟอกหนังหมีดูนี่ฟอกขนหมีให้มันขาวๆฟอกยังไงนะนั่นแมันจับเข้าเนือ้อไปตเหน็ดแล้วอย่างงั้ น, น, นธรรมะเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์จากสังสารวัตปรารถนาความบริสุทธิ์จากบาปจากอากุศลทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละอันนี้เป็นหนทางเบื้องต้นนะ แต่ถ้าหากว่าผู้ใดถึงความบริสุทธิ์แล้วหรือถ้าจบวิชาวิสุทธิมัชนะจบวิชาวิสุทธิมัชนะไม่ใช่อ่านหนังสือวิสุทธิมัชจบฟังให้ดีนะอ่านหนังสือวิสุทธิมัชจบกับจบวิสุทธิมัชคนละอย่างาถ้าจบวิสุทธิมัชนี่จบอะไรจบอริยมัชยอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าผู้ใดเรียนรู้อริยมัชยอันประกอบด้วยองค์แปดจบบริบูรณ์สมบูรณ์นั่นนะเขา จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจากักรพรรดิมางั้นเถอะกขาบอกว่าสมัยแรกๆเนี่ยนะที่สุ ป, ปะพุทธกุติคนคนโรคเรื้อนนะ่ะเขาเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาเป็นคนโรคเรื้อนเนี่ยอัตภาพที่โรคเรื้อนมันไม่คู่ควรกับอริยสัพย์ภายในคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนเนี่ยนะแล้วก็กรรมบางอย่างทําให้วัวเนี่ยหีดตายอ่าวัวก็คือคู่อาคาตเป็นนางยักษิศีเนี่ยแปลง ชนให้สุปาุู้ทกุทีเนี่ยตายทีนี้ตายแล้วก็เป็นเทพพบุตรที่มีบุญหนักสักใหญ่ที่สุดในดาวดึ ง, งกันนะนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในโลกมนุษย์นี่แกก็เป็นคนโรคเรื้อนนะนอนตรงไหนก็ควรครนคลางคึดคลอดคึ้คาดเลยนะแต่แกเป็นพระโสดาบันแล้วตอนนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้ากว่าเท้าสักกะอีกมันคนต้องหลบว่างั้นรัศมีมากกว่าเดชมากกว่ามีบุญมากกว่า เพราะว่าได้บาลุโสดาบันเนั่ยนะฮัลโสดาปฏิมักนั้นนับว่ายิ่งใหญ่มากทีนี้สิ่งที่เรากําลังศึกษานี่นะเรียนรู้กุศลธรรมเหล่านี้เพื่อเพื่อโสดาปฏิมักใช่ไหมกุศลศีลที่เราเรียนรู้เราศึกษาเราปฏิบัตินีนเพื่อโสดาปฏิมักกุศลศีลเหล่านี้เรียกว่าอะไรโลกิยาศีลฮันโลกิยาศีล น, นั้นเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อโลกุตระศีล เพะะนันศีลเนี่ยนะแบ่งมาประเภทหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5ที่ว่าไปครั้งที่แล้วเนี่ยจบหมวด2องเลเนาะหมวด2ว่าด้วยกลุ่มแรกเรียกว่าจาริตศีลกับวาริตศีลกลุ่มที่สองอภิสมาจารย์กับอาธิพรหมจันทร์เนี่ยนะกลุ่มที่สวิรติศีลกับอวิรติศีลกลุ่มที่สนิสิตศีลและ อันนี้สศรษศีต่อไปอีกกาละปริยันตศีลกับอาปาณโกติกศีนศีลที่เรียกว่ามีชีวิตเป็นที่สุดว่า ง, งั้นเถอะแล้วก็ทุกาที่หกสัปริยันตศีนและอัปริยันตศีนแล้วก็โลกิยาศีกับโลกุตระศีลโลกิยาศีเป็นไปเพื่อ โลกุตระศีนพูดโดยนานัคขาคณิกกรรมปัจัยเจตนาเจตนาศีลตัวนี้เนี่ยนะนำมาซึ่งภวะสมบัตินำมาซึ่ ง, ส, งสุขติภพแต่ว่าเจตนาอันนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ประมาทพอกพูนไอ้กุศลเจตนาอ น, นันนัมากมากกุศลเจตนาอนันเนี่ยนะเป็นปะกะตูปะนิสยะปัจัจแกโลกุตรมะมัด แต่อย่าลืมว่าศีลอย่างเดียวก็ไม่พอใช่ไหมศีลอย่างเดียวไม่พอแต่คําว่าศีลอย่างเดียวในที่นี้หมายถึงอาชีวมัทกะศีลนะแต่ถ้าถ้าคําว่าศีลเนี่ยนะสังวรศีนี่กว้างใช่ไหมสังวรศีนี่มีอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่าญาณสังวรอ่ะยาณสังวรนั้นเป็นชื่อของปัญญาเนถามว่ายาณสังวรที่เป็นชื่อของปัญญานั้นเป็นอย่างไรนะ กระแสทั้งหลายในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นอันบุคคลจะพึงปิดได้ด้วยปัญญาปัญญาที่จะมาปิดกระแสได้เนี่ยนะปัญญาอย่างไรจึงจะปิดกระแสได้เนี่ยนะที่เป็นญาณสังวรนะปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าสังสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุก ข, ขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกสัพเพธรรมานาตาทำทั้งปวงเป็น อนัตตาแต่ขอให้รู้เธอว่าคำผู้ระดับนี้เป็นระดับตีรณะปริญญาเป็นต้นไปแล้วหรือว่าสังขารเมียวิชาเป็นปัจจัยรู้แบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องรู้ทั้งเหตุเกิดรู้ทั้งความดับแล้วก็อย่างถึงสัจจะทั้งสี่ใน ส, สังขารที่เมียวิชาเป็นปัจจัยนะอย่างถึงไหมสังขารเมียวิชาเป็นปัจจัย แล้วยังลงสู่สัจจะผู้การช่วยยังให้เขาดูหน่อยเป็นยังไงสรงเคาะตัวไหนครับอ่าอ่ ะ, อะสังขารที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชชาเป็นปัใจจัยใช่ไหมครับใช่ครับเอ่อตัวสังขารเองเป็นทุกข์สัตว์นะครับแล้วก็ตัวอวิชชาเป็นสมุทัยสัตว ถ้าอวิชาไม่มีสังขารจะมีไหมไม่มีครับไม่มีอ่านะความไม่มีแข่งสังขารและอวิชาความไม่มีทั้งสองนั้นก็จะเป็นนิโรธันโสสัจความรู้ที่จะไปทําให้มันไม่มีนั่นน่ะเป็นมรรคสัจแต่ความรู้ที่ไปกระกําหนดรู้สังขารและอวิชาทํานิโรธให้แจ้งพอกพูนขึ้นซึ่งองค์มรรคนี่นะเรียกว่ามรรคสัจนั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่รู้จักสังขารดี ก็ต้องรู้เหตุเกิดของสังขารเหตุเกิดสังขารก็คือเพราะวิชาเกิดสังขารจึงเกิดถ้าวิชาดับสังขารก็ดับสังขารนี่มีอสาทะมัหมมีนะสังขารนี่มีอ า, า, านะสาทะ า, า, าอย่างไรอสาทะ า, านี่แปลว่าความน่ายินดีของสังขารมีไหมบุญนี่น่ายินดีไหมนั่นแหละความน่ายินดีนั้นะเรียกว่าอาาาสาท่สุขสมณัใดที่เกิด จากสังขารมีสังขารเป็นปัจจัยมีสังขารเป็นปัจจัยอันนั้นชื่อว่าชื่อว่าเป็นอสสาทาอสาทาของสังขารเป็นคุณเจนค่อสาทานั้นถามมโทษของสังขารเนี่ยโทษของสังขารถ้าหากว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารสังขารเป็นทุกสังขารเปลี่ยนแปลงไปปันเป็นโทษของสังขาร ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารเนี่ยนะนั่นแหละเป็นโทษของสังขารอันนั้ถ้าบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะบริวารของไม่เที่ยงคืออะไรเช่นโลกเนี่ยนะคำว่าโลกนี่ก็เป็นบริวารของไม่เที่ยงเป็นโรคถ้าโรคฝีลูกสอนฝีเป็นลูกสอนเป็นความลำบากอันนี้บริวารของทุกข์ถ้าเป็นเหมือนกับประปักฝ่ายอื่น เนี่ยนะไม่มีที่ต้านทานฝ่ายอื่นเนี่ยนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าอันนี้เป็นบริวารของอนัตตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษของเขาถ้าจะสลัดออกอ่ะสลัดยังไงการสลัดออกก็ให้ละชันทราคะในสังขารนั้นกําจัดฉันธราคาท่านใช้คําว่ากําจัดนะอะไรจริงจะ ก, กําจัดฉันธราคะได้อะ อริยมรรคเกิดข right? right? like ึ้นนั่นแหละจึงจักกำจัดฉันทราคะได้อริยมรรคที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรเป็นอรามณะปัจจัยอริยมรรคเกิดขึ้นมีอะไรเป็นอรามณะปัจจัยอริยมรรคมีอารมณ์เดียวมีนิพพานเป็นอรามณะปัจจัยจึงจักกำจัดฉันทราคะนั้นได้เพราะฉะนั้นอริยมรรคและนิพพานจึงเป็นนิสรณนิสรณะ เป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นปัญญาของบุคคลที่มีความรู้เหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยสังวรไหนเมื่อกี้ายาณสังวรเนาะลืมสังวรเลยเนาะลืมสังวรมแย่และเพรญ ะ, ะาณสังวรเนี่ยแค่นี้พอไหมไม่พอเนยที่จริงยาณสังวรยังมีอีกนะวิญญาณมีนามีสังขารเป็นปัจจัย นามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยก็ในยะเดียวกันทั้งอนุโลมและปฏิโลมหรือว่าคนที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นอัศาธาอาทีนวะนิสระแห่งภาษายตนาหกมหาภูตรูปสี่อุปาทานขันห้าเนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ชื่อว่ายานะสังวร น, นี่เป็นศีลนะนี่เป็นศีลเพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้เนี่ยนะ เป็นระดับโลกุตระก็มีใช่ไหมศีลเนี่ยเป็นโล ก, กียะก็มีเป็นโลกุตระก็มีเพราะว่าศีลที่เราเรียนนี่ไม่เฉพาะแต่วีรตีเจตสิกนะใช่ไหมเจตสิกกี่ดวงหนึ่งแลก่อนแล้วเจตนาศีลองค์ทำได้แก่เจตนาเจตสิกเจตสิกศีลองค์ทำได้แก่วีรตีสและอนัพิชาอัพยาบาทัสัมมาทิฏฐิคืออโลพะอโทสะและอโมหะ หหรือหกหลยเนะบวกกับเจตนาีกเป็นเจ็ดปาติโมฆะสังวรสีเนี่ยสำเร็จด้วยศรัทธานะผลศรัทธาก็เป็นองค์ธรรมอินทรยสังวรนี่สำเร็จด้วยสติญาณสังวรสําเร็จด้วยปัญญาขันติสังวรอะโทสะวิริยะสังวรก็องค์ธรรมได้แก่วิริยะทีนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอนับองค์ธรรมได้ พอบอกว่าอาวีติกมะอันนี้โหจิตเจตสิกที่เป็นกุศลหมดเลยนะที่เป็นกุศลที่ทําให้ไม่ล่วงปาณาติบาตเป็นต้นจนถึงอรหัตตะมักธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอวีติกมะศีนเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรโหกว้างขวางดุจมหาสมุทรเห็นไหมไม่เฉพาะแค่วีรตีนะถ้าเรียนบอกโอ้ศีลวีรตีอย่างเดียวก็คัดแคบไปหน่อยก็ถามว่าถูกไหมถูกไม่หมดเห็นไหม ถ้าถูกหมดจริงๆนั่นแหละศีลเนี่ยเกิดร่วมกับอรหัตตมรรคและอรหัตตผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ให้คุณที่แตกต่างกันด้วยนะอรหัตตมรรคบางคนเนี่ยได้สุขวิปัสสบอย่างเดียวอรหัตตมรรคของบางท่านได้วิชาสามอรหัตตมรรคของบางท่านได้อภิญญาหอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นปฏิสัมพิทาสีนะอรหัตตมรรคของบางท่านเนี่ยให้อะไรคุณ ปัจเจกภพทิยานยน่ยเนาะสูงขึ้นไปกันเออสาวกก่อนใชเนาะสาว ก, กโพธิยานอรหัตตมรรคของบางท่านนี้ปัจเจกโพธิยานอรหัตตมรรคของบางท่านนั้นสัมมาสัมโพธิยานเนี่ยนะแม้แต่คุณภาพของอรหัตตมรรคก็แตกต่างกันถามว่าอะไรมาเป็นเครื่องจำแนกทําให้แตกต่างกันบารมีที่สะสมมานั่นแหละเป็นเครื่องจำแนกเพราะงั้นเดี ถ้าหากว่าคนที่แตกฉานในเรื่องศีลมาเป็นอย่างดีสะสมอุปนิสัยอริยมรึกรเพื่อเพื่ออะไรอริยมรึกรประเภทวิชาสามถ้าสะสมในเรื่องสมาธิมาดีอริยมรึกรเป็นไปเพื่ออภิญญาหถ้าสะสมอริยมรึกรมาเป็นอย่างดีอุปนิสัยเพื่อปฏิสัมพิทาสนะปัญญานี้เพื่อปฏิสัมพิทาของเรานี้เอาหมดเลยนะศีลก็เรียนมาสูตรก็ฟังอภิธรรมก็เอาโอ้สแสดงว่าวิชาสามอภิญญาสี่ ไอ้อภินยาหกปฏิสามพิทาสี่วิโมกแปดโอทาบรลุนี่มาหมดเลยเนาะอ่ะอ่ะสะสมไปอะต่อไปนะกล่าวถึงติกะแล้วเนาะติกะมีหมวดหนึ่งหมวดติกะแปลว่าหมวดสามหน้าไหนเนาะหน้าสี่สิบสี่สี่สิบห้านะ ติกะแรกเนี่ยนะเป็นศีลอย่างเลวอ่าไม่เรียกภาษาบาลีหรอกนาเกตนะอย่างเลวอย่างานกลางและอย่างประณีตอ่าอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตเนี่ยมีอยู่สกลุ่มด้วยกันนี่นะอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มๆกลุ่มแรกนั้นว่าด้วยอย่างเลวอันดับแรกก็เพราะว่าอธิบดีที่เป็นเหตุให้ สมาทานศีลเนี่ยเร็วมากเหมือนกันฉันทะโอ้ยน้อยจิตตะก็ไม่มีกําลังวิริยะก็ไม่มีมีมังสาคือปัญญาก็นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นศีลอย่างนี้อย่างเร็วแต่ศีลไหนที่อธิบดีปานกลางก็เรียกว่ามัชชีมศีลศีลไหนถ้าอธิบดีมีกําลังมากฉันทะมีกําลังวิริยะมีกําลังจิตมีกําลังและปัญญามีกําลังอธิบดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกําลังมาก ทำให้รักษาศีลอันนั้นเป็นปณีตศีลปณีตนะศีลที่ปณีตอันนี้ในที่หนึ่งนะอย่างเลวอย่างกลางอย่างปณีตในที่หนึ่งในที่สองถ้าสมาทานเพราะต้องการยศจะได้มีบริวารมีคนนับหน้าถือตาเยอะๆคนก็จะได้ชื่นชมยินดีกับเราเนี่ยศีลแบบนี้คืศีลอย่างเลวศีลทับ สมาทานจะเอาผลแห่งบุญค่ว่าศีลเนี่ยโหใครรักษาได้บุญเยอะเอามั่งเอามั่งนะถ้ารักษาเพื่อจะเอาผลของบุญระหว่าป ร, ร, ปรารถนารักษาศีลเพื่อวิบากกันนะอันนี้อย่างปานกลางก็ดีกว่าปรารถนายศเหมงั้นเถอะหรือว่าศีลที่อาศัยอริยะภาวะนะก็คืออาศัยความประเสริฐความดีของศีลหรือว่าคนเช่นเราจะล่วงศีลได้อย่างไรเป็นต้นอันนี้เรียกว่าศีลอย่างปนนิด ศีลเพื่อขัดเกลาเลยว่างั้นเถอะรักษาศีลเพื่อสภาวะของศีลน่ะไอย่างนี้เป็นศีลอย่างประนีตอันนี้ในที่สองนะติกะในที่สองส่วนในที่สามศีลที่เศร้าหมองเพราะการยกตนข่มคนอื่นอ้ยเราเป็นคนถึงพร้อมด้วยศีลแต่คนอื่นนี้ไม่มีศีลเลยคนอื่นนี่คนบาปทั้งนั้นแหละเราอ่ะมีศีลไอย่างงี้ศีลแบบนี้เลวมากนะศีลอย่างเลว แต่ถ้าหากว่าศีลอย่างปานกลางก็คือไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นไม่อะไรทั้งนั้นแหละแต่ก็ยินดีด้วยคุณคือศีลเท่านั้นแหละโอ้ฉันมีศีลก็ดีแล้วนะหยินดีแค่คุณคือศีลอันนี้เขาเรียกว่าศีลอย่างปานกลางถ้าหากว่าศีลที่ไม่เศร้าหมองโลกุตระศีลเนี่ยนะเป็นปณีตศีลโลกยะศีลเป็นมัชชิมศีลส่วนโลกุตระเป็นปณีตศีลแต่ถ้าใครมีศีลแล้วก็ยกตนข่มคนอื่น อ่า น, นะเที่ยวตําหนิคนอื่นนะนี่ศีลอย่างเร็วมากทีนี้ในที่สี่เลยนะในที่สี่ในสุดท้ายก็คือว่าศีลที่บุคคลทําให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ภพและโพคะด้วยอํานาจตันหาชื่อวศีลอย่างเร็ว น, นะโอ้ตันหาเป็นเหตุให้รรักษาศีนนะโอ้ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศีนเนี่ยศีเลนะสุขติงยันติ ใครรักษาศีลเนี่ยนะจะได้เกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นใช่ไหมเคยได้ยินได้ฟังมาว่าบุคคลใดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาปราทานาเทพชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีปรนิมิมตาวสวัสดีโอ้เอามั่งอะอยากได้อย่างนั้นมั่งอะเอามั่งอย่างนี้แหละชื่อว่าศีลอย่างเร็วอยากเกิดเป็นเทวดาเฉยๆอย่างั้นเถอะเทวดานี้นับเนื่องในหมู่พร้มด้วยนะ มีไหมศีลในนี้ทำให้ได้ฌานมีไหมมีนะอะไรมั่งที่ทำให้ได้ฌานศีลตัวไหนที่ที่เป็นฌานได้มั่งในนี้อานาพิชาก็เป็นฌานได้อพยาปาทะก็เป็นฌานได้ขันติก็เป็นฌานได้นะพวกนั้นอนะ่ะเป็นฌานทั้งนั้นแหละสามารถพอกพูนใหถึงฌานได้อน า, าพิชาก็คือประเภทเจริญอสุภาคกรรมฐาน เป็นต้นนะนะอภยาปาทะก็คือตระกูลพรหมวิหารเนี่ยนะพรหมวิหารก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลเพื่อปรารถนาไปไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งอันนี้ง่ายศีลอย่างเร็วถามว่าทําไมอย่างเร็วถามว่าบุญเหล่านั้นหมดไหมหมดไหมเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปรารถนาไม่ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆอ่ะนะ อันนี้ก็เลยนับว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะเมื่อเทียบกับสีลข้อต่อๆไปนะแต่เมื่อเทียบกับนัยยะแรกๆโอ้นี่ดีมากแต่ก็เทียบแตนใน่ในนัยยะนี่นะนับเป็นชุดๆไป